ยิสูนั้นก็ไม่ไม่พูดอ้อมค้อมไม่บางคนเนี่ยนะไม่มีแต่แหมเลี่ยงไปเบี่ยงไปยกัยกย้ายอยู่นั่นแหละเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากเหลือเกินท่านไม่มีชั้นเชิงอะไรบอกตรงๆบอกโลกุตรธรรมของอาตมาไม่มีหรอกยังไม่ได้บรรลุอะไรซักอย่างมั้งอ้าวถ้าไม่บรรลุแล้วตอนก่อนท่านก็ได้พูดไว้แล้ว ไ, ไ, ไม่ใช่หรือว่าผ้าเนี่ยจะตกถึงกับท่านนั้นรู้ได้ยังไงพระภิกษุก็ตอบว่าจริงอาตมาภาพบำเพ็ญสารานิยธรรม ตั้งแต่เวลาที่ธรรมะนั้นคือสารานิยธรรมของอาตมาภาพบำเพ็ญเต็มแล้วสิ่งของอันเลิกก็จะมาถึงในสถานที่แจก <c oughs> บางคนเนี่ยมีโชคในเรื่องการจับฉลากเนี่ยนะจับฉลากเนี่ยถ้าของดีเมื่อไหร่ได้จะได้เจ้านี้หมดมันถ้าเขาบอกว่าอย่างที่วัดบางแห่บางครั้งเนี่ยเคยมีการจับฉลากบ่อยๆมีของมัมีชิ้นเดียวมีทั้งหลายองค์บอกถ้าคนเนี่ยไปแล้วบอกไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องไปหรอกไปก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ได้คนนี้แน่นอน อันันก็มีนะบางคนที่นักฉลากก็จับแต่ฉลากได้จริงๆเลยเรียกว่ามีดวงทางนี้เหมือนกันเลยถ้าประเภทเสียงทายกันเมื่อไหร่ได้ดีใชแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปนะแห่งแรงอ่าบางคนก็มีมีเรียกว่ามีบุญวาสนาในประเภทแบบประเภทอย่างเงี้ยพระราชาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยบำเพำ็ญสารานิยธรรมเนี่ยนะท่านก็มีเมตตากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรม ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่สาธารณโภคีปัจใจสี่ไม่เคยตรหนีในหมู่สะพรหมจารีเลยมันทำอย่างเงี้ยติดกันมาสิบสอปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วเนี่ยนะทำบุญติดติดตดตดตดกันมาสิบสอปีนี่ก็น่าจะสบายได้แล้วว่งั้นจริงก็ใครทนสมมุติว่าถ้าเราทนทําบุญเท่ากับทํางานเนี่ยนะวันละวันละแปดชั่วโมง8ดชั่วโมงให้มันจิตเป็นบุญนะ ให้มันติดติดติดติติดกันเนี่ยนะสักสิบยี่สิบปีในโยมผลบุญจะเป็นยังไงนะทําให้มันเท่ า, ใ ห, ทาให้มันเท่าทํางานเะเนี่ยนะทำงานเนี่ยเอาเอาจริงเอาจังเอาเป็นการเป็นงานเท่าใดเนี่ยให้เจตนาคิดจะเป็นบุญคิดให้มันอยู่กับบุญเนี่ยให้มันยาวเท่านั้นนะถ้าทําได้บ่อยได้มากขนาดนั้นวันละแปดชั่วโมงก็ยังดีเนี่ยนะโอทด้วยก็ได้วันละสิบสองชั่วโมงก็ว่าไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยสักสิบยี่สิบปีเนี่ยถ้าบุญไม่ให้ผลเนี่ยให้มาคุยกันมาคุยกันใหม่นะ แต่ว่าแต่ต้องทําให้มันถูกหลักก่อนนะถ้าทําผิดหลักแล้วช่วยไม่ได้ไปนั่งมาว่าโอยเนี่ยเขานั่งอะไรนะเจริญทําบุญมานานทํานั่งสมาธิมาเยอะมากพระคุณนั่งสมาธิหรือนั่งสับประกมันต้องแบ่งกันนะนั่งสมาธิก็อย่างหนึ่งนั่งสับประก็อย่างหนึ่งนั่งฟุ้งซ่านก็อย่างหนึ่งแล้วอยู่กับกรรมฐานจริงๆอ่ะนั่งสิบชั่วโมงจะอยู่กับกรรมฐานกี่นาทีก็ว่ากันไปตามนั้นอ่ะมั้นโดยระยะเวลาสิบปีก็จริงแต่อยู่กับกรรมฐานแค่สองวันอยังไงนะมันก็ไม่พออ่ะยังห่างอน่าน ก็ต้องว่าไปตามนั่นไปเพอที่เจริญนี่ต้องเป็นบุญอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเอาอิริยาบถหรือไม่ได้เอากิริยาแต่เอาเจตนาเป็นหลักอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าชาวพาตรคามชาวปาตรคามในพระมณะติสะพายนครนเนี่ยนะไม่บอกกล่าวแก่พระนา ค, าคเคธีอ่ข า, า, า, าขอไปพระนาคเถรีเนี่ยนะก็พากันหนีไปคือหมู่บ้านเนี่ยถูก มีภัยร้ายแรงะนะมีโจรเป็นต้นจะมาปล้นก็เลยหนีกันไปหมดเวลาใกล้รุง่งพียรพระเทรีก็พูดกับภิกษุณีสาวว่าหมู่บ้านนี้ช่างเงียบเหลือเกินไปดูทีสิภิกษุณีสาวเหล่านั้นก็ไปตรวจดูก็รู้ว่าชาวบ้านนี้อพยพกันไปหมดแล้วไม่บอกพระเลยนะก็เลยมาบอกแก่พระเถรีพระเถรีนั้นฟังแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านอย่าคิดว่าชาวบ้านเหล่านั้นอพยพไปเลยไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องเขาอพยพไปหรอก เพราะฉะนั้นพวกท่านจงบำเพ็ญเพียรในการเล่าเรียนบาลีคือพระไตรปิฎกอัตถคถาและก็คือเรียนปริยัตและโยนิสโสมนัสการของตนเท่านั้นใส่ใจในคําสอนให้มากปฏิบัติตามคําสอนเล่าเรียนคําสอนไปเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นทั้งนั้นพอถึงเวลาพิคษาจารก็คือบิณฑบาตก็ห่มผ้ารวมด้วยกัน12รูปพร้อมทั้งตนเองก็ไปยืนที่ไหนดีปกติก็ยืนในหมู่บ้านนี้ไปยืนที่โคนต้นใส่ใกล้ประตูบ้าน บินทบาทกับคนไม่ได้บินทบาทกับเทวดาก็ได้เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ก็ถวายบินธบาทแก่ภิกษุณี12รูปแล้วก็กล่าวว่าพระแม่เจ้าอย่าไปที่อื่นเลยโปรดอยู่ที่นี้เป็นนิเทินพระเทรีรูปนี้มีน้องชายอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพระนาคเทระเนี่ยนะพระเทระคิดว่านี่บัดเนี่ยมีภัยใหญ่ถึงเราเราไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้จกไปฝั่งโน้นตัวเองก็มีภิกษุไปด้วยทั้ง12รูป ออกจากสถานที่อยู่ของตนมายังพาระตะคามด้วยไม้ใจจะพบพระเทรีแล้วก็จักไปก็ไปเยี่ยมดูพี่สาวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพระเทรีก็ทราบว่าพระเทระน้องชายมาก็ไปนางสำนักของพระเทระถามว่าอะไรการพระผู้เป็นเจ้าไปยังไงมายังไงพระเทระก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระเทรีก็บอกว่าวันนี้พวกท่านจมอยู่ในวัดนี้เสียวันนึงพรุ่งนี้ค่อยไปนะพระเระทั้งหลายก็ไปยังที่พัก ก็แบ่งเป็นเขตพระภิกษุเขตภิกษุณีเนี่ยนะรุ่งขึ้นพระเถรีก็เที่ยวบินทบาทที่โคนต้นไม้ได้อาหารมาแล้วก็ไปหาพระเถระพูดว่าท่านฉันบิณทบาทนี้เถิดพระเถระก็กล่าวว่าจะควรหรือเถรีเนี่ยนะจะควรหรือแล้วก็ยืนนิ่งก็แปลว่าไม่สมควรยังไงท่านก็ไม่ฉันพระเถรีก็กล่าวว่าท่านเอ้ยบินทบาทนี้ได้มาโดยทำอย่ารังเกียจโปรดฉันเถอะมันจะควรหรือมันจะควรหรือ พระเถรีก็จับบาตรแล้วก็โยนไปในอากาศบาตรก็ตั้งอยู่ในอากาศพระเถระก็กล่าวว่าพระเถรีพัดแม้ตั้งอยู่ในที่เจ็ดชั่วลําตาลก็เป็นพัดสาหรับภิกษุณีนั่นเองถึงจะถูกอาหารมันจะเหาะได้ก็เหมาะสําหรับภิกษุณีเท่านั้นแหละฉันไม่ควรแก่พระภิกษุแล้วก็กล่าวบอกว่าภัยแบบนี้มันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปหรอกเมื่อภัยสงบเราจะกล่าวอาริยวงศ์จะถูกท่านตักเตือนด้วยจิต คือแปลว่าอะไรเนี่ยนะเดี๋ยววันหลังพอภัยสงบมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมเดี๋ยวอาะเดี๋ยวข้าพเจ้าก็ต้องเทศแสดงธรรมบรรยายธรรมก็จะสอนเรื่องอะไรเรื่องอริยวงวงของผ้าเรียเจ้าผู้สันโดดด้วยปัจจัยสีเดี๋ยวพวกท่านเนบข้าพเจ้าแม่ท่านก็มาเตือนว่านี่ท่านผููถือบินดาปาติกะสุดงพวกท่านโปรดฉันอาหารของพิษุณีเห็นปานี้อยู่เรื่อยไปเถิดบอกนี่มลไม่ต้องไปไหนหรอกฉันแต่อาหารทิสุนีเธอ ท่านข้าพเจ้าไม่อาจช่วยได้ท่านภิสุณีทั้งหลายก็คือท่านฉันไม่ได้หรอกสรุปว่ายังไงก็ฉันไม่ได้เดี๋ยววันหลังหนักใจแน่นอนเพราะฉะนั้นพิษุณีทั้งหลายเพราะท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถอะนะของของใครบุญใครก็ฉันไปแล้วกันท่านก็ออกเดินทางรุกเทวดาเทวดาประจําต้นสายนี้ก็ทีแรกก็คิดไว้แล้วว่าถ้าพระเถระฉันบินทบาทจากมือพระเถรีเราจะไม่นําพระเถระให้กลับ ถ้าพระเถระไม่ฉันจะนิมนต์ท่านกลับตั้งใจไว้แล้วนะครับเทวดาจะเสี่ยงลวงเหมือนกันบอกพระรูปนี้จะมีฉันตลอดไปถ้าไม่รับอาหารถ้ารับอาหารของพระเถรีก็จะได้ฉันอีกต่อไปก็ไปยืนเห็นพระเถระแล้วก็ลงจากต้นไม้พูดว่าโปรดให้บาดเธอเจ้าข้าแล้วก็นำํำรับบาดนําพระเถระมาที่โคนต้นไม้นั่นแลปูอาสนะถวายบิณฑบาตให้พระเถระฉันเสร็จแล้วก็นิมนต์เนี่ยนะปฏิญาณก็คือนิมนต์ นิมนต์ที่จะบำรุงภิกษุนี่สิรูปบำรงภิกษุ7รูปทําบุญติดการเนี่ยเปีด้วยกันเนยนะฉันอาหารทิพย์อยู่7ปีอันนี้แหละเขบอกว่าถ้ามีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนมีความลําบากเหล่าใดเทวดาก็จะช่วยรักษาสําหรับผู้ที่มีบุญเนี่ยนะผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ประสบเหตุเพศภยัยใดๆเนี่ยนะก็จะมีคนมาช่วยเนี่ย น, นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็อย่างที่บางท่านเขาเล่าให้ฟังว่ารถ จอดหมดน้ํามันระหว่างทางก็ยังเหลียวไปก็ยังมองเห็นปั๊มอีกอยู่ดีเพราะงั้นก็บอกว่าไปแล้วจะขึ้นเขารถหมดน้ํามันขนาดลงเขามาก็เรียกว่าวิ่งรีมาเฉยๆมันก็มีปั๊มน้ํามันรออยู่ตรงนั้นอีกก็คือถ้ามีบุญแล้วก็มันไม่มีเดือดร้อนเลยนะเขาบอกว่าแมง่วงเหลือเกินหิวเหลือเกินมองไปอา้าวมีโรงแรมอยู่ข้างหน้าก็คือหลายๆอย่างมันก็เหมือนกับฟลุกไปหมดเลยนะที่จริง ก, ก็คนมีบุญนะถ้าคนหมดบุญเนี่ยเชื่อไหม ไม้มั่นปั้นมือไปถึงบอกร้านไม่เปิดหยุดหนึ่งวันก็งั้นนะทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมดแหละ ว, ว่า ง, งั้นถ้าบุญน้อยๆเนี่ยมันมีแต่ปัญหาอะไรไม่น่ามีก็มีะอะไรที่ไม่น่าขัดมันก็ขัดอะไรไม่น่าคล้องมันก็คล้องทั้งขัดทั้งคล้องไปหมดเนี่ยนะก็ต้องบําเพ็ญสารานิยธรรมคือการให้ทานการแบ่งปันเอาไว้ให้พอสมควรแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเนี่ยนะนั้นการให้ทานเนี่ยสําคัญมาก บอกว่าพระภิสุสองรูปรูปที่ให้ทานกับรูปที่ไม่ให้ทานก็แตกต่างกันตอนตาอตอนมีชีวิตอยู่ก็ต่างกันตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะสมมติถ้าท่านไปเกิดในเทวดาก็ต่างกันนั่งโดยอายุโดยผิวพรรณโดยรัศมีโดยบริวารถ้าตายจากเทวดามากลับเป็นมนุษย์ก็แตกต่างกันอีกคนหนึ่งเป็นอมาตะอีกคนหนึ่งเป็นพระราชบุตรเป็นต้นเนี่ยก็เกิดในตระกูลที่ต่างกันเจริญเติบโตการใช้ชีวิตการเป็นอยู่แตกต่างกันมาก การให้ทานเนี่ยนะแม้แต่พระพิสุท์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรณีว่าอย่าให้ทานนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนสารานิยธรรมก็คือให้วัตถุปัจจัยที่มีอยู่ให้เป็นสาธารณโภคีนะแต่ก็ไม่ได้มาเรียอะไรแล้วมาหงต้มช่วยกันไม่ใช่ลักษณะนะั้นแต่หมายความว่าไปบิณฑบาตได้ปัจจัยสี่มาก็รู้จักให้รู้จักเฉลีย่ยรู้จักแบ่งปันแบ่งทํำบุญบ้างนะส่วนสารานิยธรรมข้อที่ห้า ข้อที่5ที่บอกว่าศีลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นศีลที่วินยูชนสรรเสริญตันหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อนเป็นศีลที่นําไปสู่สมาธิภิกษุทั้งหลายจักถึงความเป็นผู้เสมอการกับเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายผู้อยู่ในศีลเห็นตานนั้นทั้งในที่แจ้งและที่รับหมายความว่าจะเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรก็มีศีลเช่นกับเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายนั่นเอง ถ้าหาว่ายังมีศีลเสมอกันดีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพียงไรก็หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมอธิบายคําว่าศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นต้นบอกว่าสิกขาบทถ้าสิกขาบทขาดในเบื้องต้นหรือที่สุดเนี่ยนะขาดที่ข้างหมายก็ว่าเช่นอบัตเจ็ดกองขาดหัวขาดท้ายเรียกว่าเหมือนผ้าขาดชายชายก็คือที่สุดปลายผ้าเรียกว่าชายผ้าขาดชายอันนั้เรียกว่าเรียกว่าศีลขาด แต่ถ้าสิกขาบทใดขาดตรงกลางนะหมายความว่ามีเจดข้อใช่ไหมเขาเรียกว่าตรงกลางเนี่ยถ้าขาดข้อสี่พอดีนี่เรียกว่าศินทะลุเหมือนกับผ้าทลุผ้าทะลุกลางผืนถ้าศีลห้าก็ขาดข้อสานี่เรียกว่าศีทลทะลุถ้าขาดข้อหนึ่งขาดข้อ5เรียกว่าศินขาดถ้าทลาุถ้าตรงกลางเรียกว่าศีทลทะลุแต่ถ้าขาดสับวางขาดสองสามสิกขาบทตามลําดับนี่ชื่อว่าศีลด่ังเหมือนแม่โคดังสลับสีเนี่ยนะ ถ้าสิกขาบทของภิสูจใดาขาดในระหว่างขาดเราเรียกว่าขา ด, ขา ด, ขาดสับวางนะพวกนี้เรียกว่าพร้อยเหมือนโคมีจุดต่างๆถ้าภิกษุใดมีศิกขาบทไม่ขาดเลยศีลของพิสูจนนั้นชื่อว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ศีลนั้นนั้นชื่อว่าเป็นไทยเพราะว่าไม่ได้ตกเป็นาธาตุของตันหาแล้วก็เป็นไทยเพราะวินยูชนวินยูชนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วผู้รู้ทั้งหลายพระ ก็สรรเสริญเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายไม่ตำหนิกลศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยตนก็ไม่ตำหนิตนท่านผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่ตำหนิอะไรแล้วก็เป็นศีลที่ใครๆก็ปรามารปรามาแปล ว, ว่าดูหมิน่นดูถูกไม่ได้ว่าท่านเนี่ยเคยถูกต้องอบัตินี่นะท่านเคยเป็นเนี่ยประวัติท่านไม่ดีเท่าไหร่นะหมายค่าว่าเรียกว่าเช็คประวัติแล้วก็เรียบร้อยไม่มีปัญหา อันวันหลังไม่มีใครยกขึ้นมาอะไรนะเป็นเหมือนกับว่าไปพลาดมาแล้วเป็นเหมือนกับแผลเป็นแมมเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเรานะว่าท่านเคยมีแผลเป็นท่านเคยผิดท่านเคยพลาดมาแล้วคนก็จะไม่พูดกันอย่างนี้และศีลเหล่านี้เรียกว่าเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่ออุปจารสมาธิเป็นไปเพื่ออปปนาสมาธิ บทว่าศีลสามัญยคตาวิหริสันติจะมีศีลเสมอกับพิสุที่อยู่ในทิศที่สาภาคนั้นๆหมายคือว่าเสมอเหมือกนกันกับผู้มีศีลในทุกทิศทิศใดที่มีผู้มีศีลก็เสมอกันกับพิสุเหล่าผู้มีศีลในทุกทิศ ย, ยกตัวอย่างระดับสูงก็คือศีลของพระโสดาบันก็เสมอกับศีลของพระโสดาบัน